การฟังธรรมะ่างมมาการต่างคนเคยได้ปรดับว่างกันมาแต่จิตใจยังมมนเห็นตาวแน่สงบอะไรได้ <c oughs> เรื่องเหล่านี้จะเกิดเพราะเรื่องอะไรโดยส่วนใหญ่้วคอยด้คำนร่งคำงนวณหา ถึงเวลาทําก็ทํากันไปถึงเวลาฟังก็ฟังกัอนใจในทันวะในรู้ว่าทันพูดอะไรพอจบธรรมะก็จบการสดับรัดฟังถึงเวลาทําก็เหมือนการแ็นการนั่งก็ไม่มีสติอยู่กับตัวเป็นการเดินก็สายแสบปุ่งปรุงไปตามสัญญาอารมณ์เรื่องนั้นธรรมะภายในยึงไม่ขึ้นอยู่กับการกระทําด้วยการฟัง ขึนอยู่กับการนมีสติกําหนดรู้จะบริตำก็ต่างใจบริตมจริงจังจะคิด่พิจารณาก็ต้องต่างหน้าที่ทไม่พิจารณาจริงจังหาใไมมีสติแล้วทําอะไรทุกอย่างไปว่าไม่ใชจะเห็นผลหรือถึงจะมีผลก็ไม่สมบูรณ์เหตุนั้นทางศาสนาทําจริงสอนให้มีสติทําอะไรให้มีสตินิดติดตาม ในเรื่องมันั้นจริงจงจึงจะเกิดผลประโยชน์สมบูรณ์ได้มีพวกเราทั้งหลายที่บวชมาเป็นพระเป็นเนรอยู่ในศาสนาเคยได้ยินได้ฟังกันมาเคยได้กระทำบำเพ็ญกันมาเป็นเวลาปีๆหรือหลายสิบปีแต่ความดีส่วนธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้จเรียกว่าโซดาติฏฐาภาณะทานะุาอาารพวกเราท่านยังไม่ประสบเพรเห็นอะไรกัน ขาดสติทีนี้พิจนะรณาเวลาทำก็ตั้งสตินิดหน่อยแล้วก็ปล่อยสติไปส่วนที่เหลือไหลเข้าใจอยู่ทุกการทุกเวลาแล้วก็มาคอยตั้งหน้าจะทําความเพียรจริงจังแต่างานนั้นแต่างานนี้หรืออยู่ดีๆก็าหาเรื่องคุยกันจะไปทําบำเพ็ญด้านจิตใจของตนเป็นอย่างไรเพียมหรือใจเลืออย่างไรไม่เคยสนใจไม่เคยทีนี้พิจารนณะ เมื่อเป็นอย่างนั้นจะไป ส, ส่าวตูว่าเรื่องศาสนาเป็นโมฆะต่อเพื่อปฏิบัติมาหลายปีขนาดนี้ทำคุณงามความดีอะไรซึ่งเป็นเครื่องอัศจรรย์ใจยังไม่เกิดไม่มีแกเราคงเป็นโมฆะแน่ไม่ทราบ ว, ว่าทําเป็นโมฆะหรือตัวเป็นโมฆคถ้าหากทำเป็นโมฆะท่านพุทธเจ้าสอนเหล่าสาวกทัางพุทธการย์หรือครูบาอาจารย์ท่านต่างนาต่างตางต่อเพื่อปฏิบัติ ทำไมท่านจึงเห็นอัดเห็นทำทำไมท่านจึงมีสมาธิมีปัญญามีวิชาลิมุตส่วนตัวเราทำไมจึงเป็นโมฆะอย่างนี้ไม่ค่อยใส่สอบสืบที่นี้พี่แจน่ะอกวนเข้ามาหาตนแล้วก็ไปกล่าวสู่แต่ว่าธรรมะหรือสถานที่ครูบาอาจารย์ให้อัดให้ทำในถูกจริตเมตไต้แต่ควานจริงตัวของเราเองไม่ค่อยสอบสืบตัวของเราตอเดียวนี้เราปรุงอะไรเราคิดอะไร เป็นอาจเป็นธรรหรือเป็นโลกเป็นเรื่องสลายกิเลสหรือเป็นเรื่องขอบครูนกิเลสหากทุกคนสนใจนิสิตเจนะเพแก้ไขด้านจิตใจของตนจริงจังอาจทำจะไม่เกิดขึ้นเป็นอันไม่มีจะต้องเกิดขึ้นจะต้องเป็นขึ้นจะต้องเห็นขึ้นแต่ทำบาเพ็ญเวลาใดการใดหากตั้งใจจริงจังในการกระทําของตนมีสติ มีปัญญาตีสอบที่นี้ที่จะเรยนาเรื่องจิตใจก็จะเห็นวี่แววของจิตที่คิดนดกทั่วดีควรละหรือควรบาเพ็ญอัตธรหรือสติปัญญาก็จะเคยแยก่ต้าขึ้นทุกบานทุกเวลาความอัศจรรย์หรือความสวดสังเวชจะต้องเกิดขึ้นจากการกระทาของตน ในวันหนึ่งหนึ่งจะต้องมีคติอันใดอันหนึ่งเป็นขึ้นบอกขึ้นสอนตัวของตัวต่าเพื่อปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเรื่องอัจทำนับวันจะเจริญขึ้นความเตอมความเสียความปรุงส่วนชั่วต่างๆซึ่งเราเคยไึกคิดตามมาแต่ก่อนยังไม่ได้เข้าวัดเข้าว่ายังไม่ได้สดับเล่าฟังทำคาสอนยังไม่ตั้งหน้าปฏิบัติ จิตใจของเราแส่ใส่ไปสู่สัญญาอารมณ์อะไรวันคืนที่ล่วงไปเราได้นึกคิดหรือไม่ในการแกจิตแก่ใจของเราและจิตใจที่จะสงบราบรื่นไม่อาจในธรรมอย่างนี้เคยมีไหมก็ใจเห็นในจิตในใจท้องตนเพราะเรามีสติถ้าเรามีปัญญาสืบสอบเรื่องจิตใจอยู่สม่นเสมอไปการตั้งใจบริุตรม อาจทำก็ต้องตั้งใจจริงจังจนให้เห็นผลปรละจักษ์ในตนว่าจิตอยู่ในธรรมบริกรรมหรือไม่ธรรมบริกรรมตรงจิตจิตตรงธรรมบริกรรมหรือไม่ถ้าหายังไม่เป็นอย่างนั้นมันบริกรรมให้ผีเข้าไปอย่าให้สัญญาอารมณ์ส่วนอืน่นมาทุกท่านจิตใจของตนกำหนดให้มั่นหวที่สุด จิตกับคมบริกรรมจะเป็นอันเดียวกันนอกจากนั้นก็จะ ร, รวม ร, รวมหมรวมรวมความสงบสงัดในการปฏิบัติษษษษษษษษความสุขความสบายซึ่งขาดจากปัญญาอารมภายนอกขาดจากความยึดความถือของโลกของธาตุของขันเป็นอย่างไรจะประทับใจของสตนนี่เป็นเบื้องตน้นผู้ที่ไนะม่พิจารณาฝุกผลมี สามารถที่คือความตั้งมัน่นลงรวมมาแล้วก็ให้ที่นิพิจารณาจริงจังส่วนใดเป็นอย่างไรให้เข้าใจให้เห็นอะไรสงสัยต้องพิจารณาจนให้หายสงสัยให้จิตใจเบิกบานหันษาจากการที่นิพพิจารณาของตนแต่ทาบําเพ็ญอยู่อย่างนั้นไม่มีวันมีคืนไม่มีเวลาเป็นอกาลิบโปก กิืลอยังมีอยู่เมื่อไรเราจะตามไล่จนให้กิเลสหมดออกจากใจเหมือนนั้นไม่ยอมที่จะหยุดรักในการที่นิพกาณาของสมเป็นไว้แต่เวลาหลับนอนหรือเหน็ดเหนื่อยจริงจังก็เอาจิตเข้าพักในเรื่องของสมาธิพอเพิ่มจากสมาธิจิตมีกำลังน่พกาณาต่ออีกเมือ่อทาแบบนี้ วิเลศจะไม่มีวิธีต่อสู้กับเรื่องของธรรมนับวันนเวลาจะหายหน้าหายตาไปเราจะใช้จิตใจของเราได้อย่างไรจะไปจากในตนถ้าหาเพียงแต่บวชเพียงแต่ในชื่อว่าพระธรรมทานนักปฏิบัติแต่ปฏิบัติอะไรบวชเพื่ออะไรไม่ถอยผลใจการบวชที่ถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงจั ก็คือบวชเพื่อแก้ไขความสั่วออกจากใจชำระสาสางจิตใจที่เคยดุ่งหยงหยงวุ่นวายให้ได้รับความสบายเบามีความสุขอยู่ทุกิีิยาบทถึงจะอยู่ในป่าในเขาอดจนวัตถุภายนอกก่อต่างแต่เรวดาทมซึ่งเป็นสมบัติภายในมีประทับใจอยู่ทุกการทุกเวลานี่คือนักบวช ที่แน่นอนนักบวชที่แท้จริงถ้าหาไในอย่างนี้เที่ยงบวชเห็นเขาบวชกว็บวชไปเห็นเขาทําก็ทําไปแต่ไหนสนใจว่าเขาบวชเพื่ออะไรเขาทําเพื่ออะไรถ้าเราเป็นคนแบบนั้นก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะไปศึกษบเห็นเรื่องของศาสนาเที่ยงแตแค่แอบบางเงาศาสนาอยู่อย่างนั้นเป็นพระเป็นเมนตาสากคอยเกาะ อาศัยศาสนากินเหมือนตาฝากที่จับอยู่ต้นไม้อาศัยต้นไม้นั่นแหละเป็นอาหารดูดกินอยู่อย่างนั้นผลที่สุดตาฝากหน้าขึ้นเท่าไรต้นไม้ก็นับวันที่จะเหี่ยวแห้งหรือที่จะตายไปพอต้อนไม้ตายกาฝากก็อยู่ไม่ได้ก็ตายไปตามๆกันฉันใดจิตใจที่อาศัยศาสนาเกาะกินแต่ไม่เป็นตนของตนคือไม่ทำตน ใส้เห็นผลทางศีลเป็นอย่างไรสมาชิกเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรไม่ค่อยสนใจแต่ทำบำเพ็ญเพื่อเป็นสมบัติของตองนยังไปแอบอิงทิ้งอาศาัยาศาสนาอยู่อาศาัยข่าเหลืองเท่านั้นเป็นเรื่องหลอกลวงหยาดโยมทา ย, ยกทา ย, ยิกาทิ้าท้าทิศูบแบบนี้หรือท่านคนนี้จะไม่มีวันเวลาดีล่ะ นับวันที่จะเห็นโทษเห็นไทยในตัวของตัวเองจิตใจจะร้อนไม่มีวันเย็นถึงจะอยู่ในร่มเงาพูดีเรี่ยหานถําเขากว่าตั่งจิตใจไม่มีวันสบายเดือดร้อนวุ่นวายเพราะกิเลสกวนใจคิดปรุงอยากได้อย่างนั้นคิดปรุงอยากทำอย่างนี้แต่เรื่องตัวของตัวเองไม่ ม, มีวันมีเวลาตลอดางจิตใจเลยไม่มีเวลาเย็นสบาย อาศัยศาสนาแบบนี้เยียกแบบพระกาฝากเลนกาฝากนักปฏิบัติกาฝากไมาเป็นตัวของตัวถ้าอายากจะเป็นตัวของตัวก็ต้องปฏิบัติตามทำคำสัง่งสอนของพระพุทธเจ้าการทำอะไรให้มีสติการพูดอะไรให้มีสติไม่ปล่อยสติ <c oughs> ที่ไดเจีนะอยากตายโดยปัญญา ที่เยต่อพืชปฏิบัติกันมาแต่เก่าก่อนท่านกระทาแบบนั้นท่านจึงมีความอัศจรรย์นในสิตในใจศาสนาจึงยืนยงคงอยู่หากไม่มีผู้รู้ผู้เข้าใจไม่มีผู้ได้ผู้ชิงเร่องมรรคผลจริงจังศาสนาล่มแหลกไปแล้วไม่เหลือมาถึงการ น, นี้สมัยนี้เร่องที่ศาสนาเหลือมาบอเพราว่าศาสนา ย, สยังทรงมรรคทรงผลยังคงเส้นคงวาผู้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติจริงจัง ยังได้ไรับผลอัศจรรย์ไม่ว่ า, าการก่อนหรือสมัยปัจจุบันเพราะจิเลตตัวเดียวกันเกิดแฉ่เจี ย, จยตายอันเดียวกันพวกเราท่านทำไมจะเกิดจะเป็นจะเห็นไม่ได้ถ้าหาพิจนารณาจริงจังในวันคืนที่ผ่านไปะะเมื่อใดเอาใจใส่ปลอยให้ตั้งใจเรื่องจิเลตการหารั่วไหลเข้ามาทับผมจิตใจไปอยู่สถานที่ไหนก็เดือดร้อนไม่มีวันเย็น ทวามยาความรีนรอนคล้องใจโดยส่วนใด่ปรุงไปเรื่องของโลกมาได้ปรุงไปเรื่องอัตจักรธรรมธรรอย่างไรเราจึงจะเป็นสมาธิธรรมอย่างไรเราจึงจะเกิดสติปัญญาทําอย่างไรเราจึงจะเกิดดีชาดีมุตไม่ค่อยได้คิดในเนืส่วนนี้ถ้าหากคิดเนืส่วนนี้อยู่บ่อยๆเรื่องความเพียรภายนอกเนื้ทางใก็จะเห็นเด่นชัดเรื่องความเจรน ของจายหรือว่าจาดันออกมาจากเรื่องของจิตเพราะจิตนึกคิดอะไรจะต้องพูดอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนั้นจิตนึกคิดเยอะก่อนจึงไปจึงมาจึงอยู่จึงพูดจึงทำนิสัยว่าทำไปแบบเมินเฉยคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นพอพูดกันก็รู้จักจิริยามยายากเลยก็เพื่อปฏิบัติยอยายละเอียดมาอย่างไรพอแสดงให้เห็น ไปจักสำหรับผู้ที่เคยต่อเพืปฏิบัติผ่านนะจะต้องรู้ต่อคนนี้เคยมีครูมีอาจารย์ดีหรือไหมเคยฝึกนิตรใสใจพอตรง น, นี้อย่างไรสนใจทำหรือสนใจโลกพอพูดออกมารู้จักไม่ต้องมีหูทิพตาทิพแต่รู้จักเหตุใจจะรู้จักเพราะจิตญาณรยาะใครน่ะบอกให้กับจิริยาหรือวาจาที่พูดมา จะต้องเป็นไปตามความผักดันของภายในในเรื่องของใจเดือนั้นท่านผู้ประพฤติปฏิบัติที่มุ่งหวังตั้งใจอยากจะทำคนจะทุกข์จริงจังท่านในมีอการพูดการเทิญในเรื่องของโลกจะต้องอุตสาหพยายามพูดสั่งสอนศึกษาด้านธรรมะเป็นสมโมงท่านมีญาติหาเรื่องลงนบันเทิงใจซึ่งตันแรกกัน ถ้าทำหรือกระทามความภาคความเพียรเพื่อสําระชี้เล็ดปัญหานั่งอยู่ธรรมดาก็ไม่ปล่อยสติใส้เสียไปเมื่อเป็นอย่างนั้นใจที่ถูกบังคับกดท่วงเรายหงื่อความดีอยู่เสมอมีสติปญัญญาประทับประคองอยู่เสมอเศษใดใจจะรั่วไหลไปสู่ภายนอกได้เพราะเรื่องภายนอกเราได้สละออกมาแล้วนิใคือว่าเรามาบวชแสวงหาสมบัติพัฒนาฐานอะไร มาบวชฮะการหางานอะไรมาบวเชเพื่อกอ่อสร้างอะไรบวเชเพื่อกอ่อสร้างใจบวเชเพื่อส้อรักิเรนต์ตัณ <c oughs> หาเมื่อเรารู้สึกตัวซ้อนตัวอย่างนี้เข้า <c oughs> ใจอย่างนี้หน้าที่ตาราาไรปพิสปัตสนาก็คือการชำระเรื่องกายรางกาใจผิดว่าช้าลามกผิดใจผิดใจคล่องผิดใจเต่าใจหมองให้หมดไปทิ้งไปจากกันเมื่อ บุกไปมากไปน้อยขนาดไหนจะประทับในจิตในใจของตอนเพราะตอนเป็นผู้ทำเพราะตอนเป็นผู้ประทอบทําเป็นกันทิก ป, ปิโกเขียนเองอย่างนี้ประจากอย่างนี้สันทิปปิโกทุกขั้นมาเรามีที่เหนือตัญหาอย่างไรใจปรุงแต่งเลือคิดเอาไม่อยู่หรือไม่รู้ว่ามันไปอย่างไรเราก็ประทับใจของเราเหมือนกันปันนี้ไม่รู้ว่าคิดกี่เป็นกีอย่าง สติไม่มีพอที่จะรู้ว่าวาจิตไมคิดอะไรแต่เมื่อเราสบวติปฏิบัติไปรักษายังสติปัญญาของตนไม่ให้ปลุให้พุ่งตัอย่างนั้นตามนึกคิดที่ไม่มีสติหกเศลน้อยลงไปหมดลงไปจนที่สุดคิดอะไรมีสติพูดอะไรมีสติ เมื่อเพอการใดสมยดัยใดก็เสียใจให้แก่ตนปรับทุกตัวอยู่อย่างนี้ดูตั้งหน้าตั้งตาไปเพื่อปฏิบัตริรักษาอยู่อย่างนั้นทั้งต่างวันต่างคืนยืนเดินแน่นอนคนนั้นก็มีวันในเวลาที่กิเลสตัณหาจะตกออกมดออกเบาสบายเห็นอัดเห็นคำประทับจิตประทับใจ เอห็นอาจเห็นธรรมซึ่งเป็นของอศัศจรรยนแต่กองเก่าเราไม่เคยเห็นรสชาติของธรรมอย่างนี้เราจึงไม่สนใจเมื่อเราไปบพบเห็นรสชาติี่แนแปลงหรือความอัศจรรย์ความสบายความสุขแล้วใครลามันจะยินดีพอใจไปสูดเดงเรื่องของทุกข์ความนึกคิดของธรรม เป็นของละเอียดไม่เหมือนเรื่องทวนไนถ้าทำละเอียดเข้าไปกว่าทวีไนแม้แต่ควานึกคิดท่านก็ปรับโทษปรบับกรมที่ตนนึกตนคิดไปแตนจึงเทียวว่าอาุศสนี้ตกผล น, นึกคิดที่เป็นอากูสนี้ตกก็อนกคิดไปในเรื่องของตามอมาลม์ต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส มักอ่นั้นคิดออกภายนอกอยู่สมาต่ำเสมอว่าดีอย่างนั้นน่ารักน่าชมอย่างนี้น่ากอดน่าจูบอย่างนั้นไปกันใหญ่ถ้าหากคนนึกคิดแบบนี้เป็นเรื่องนดกคิดคิดเรื่องของธรรมเป็นอคูสมิสตบเป็นคนโง่เป็นคนชั่วเป็นคนทุกข์นึกคิดเท่าไรก็ไม่มีวันเวลาที่จะอิ่นหนำสารางใจนึกคิดเท่าไร่ก็ยิ่งเดือดร้อนเผาตัวท่านชื่ไม่ให้นนึคิด ห้ามเอาไว้เป็นความนึกคิดสําหรับนักปฏิบัติสําหรับพระที่สุสามเณีทางพระพุทธศาสนาถันจึงว่าถุอนย์ตกพยบาทนิตกนึกคิดจองอานจองขานอาฆาตบาดหมางคนอื่นสัตวอื่นั่นก็เป็นความนึกคิดไม่ใช่ผู้กเบปฏิบัติจะนึกคิดมีหึงขกนิตก นิสโต๊ะเป็ทางเบียเดเบียนตนและคนอื่นเป็นทางนึกคิดผิดทางคำท่านบอกไว้แต่ก็เป็นทวามจริงทหางนึกคิดไอ้เนีทางผิดอย่างนั้นตามนิสโต๊ะพยาบาลนีสตกะนิหิงปามนิสต๊อยู่จิตใจจะลงรวมเป็นสมาธิใน ไ, ได้รับปาาระกันให้ไม่มีรายใดที่จะได้รับความสุขความสบายใจจากความนึกคิดแบบนั้นนับวันผู้นึกคิด จะต้องเดือดราอนวุ่นวายแขบเผาตัวของตัวเขาก็ใช้เจ้างท่านรู้ท่านเห็นด้วยปัญญาตายานของพระ อ, องค์พระ อ, องค์จึงแนะสอนพวกเราที่มืดบ่ให้กระเพื่อมปฏิบัติไปในทางดีอย่าไปในทางชั่วความนึกคิดแบบนั้นเป็นทางชั่วเป็นทางเผาปัญญาไม่ใช่จะเกิดวิชาดีมุตเป็นทางที่จะไปทุกขติเป็นทางที่จะไปเป็นเปรต เป็นสัตว์ประหลาดเพราะเรื่องสัตวประหลาดเนื้อคิดได้ไม่แปลกอะไรกับมนุษย์ที่คิดแบบนั้นมันเนื้อคิดใจอยากจะอยู่จะคินจะหลับจะนอนจะเปิดจะเปินตามเรื่องของมันมันจะมีการเบียดเบียนกันการข่ากกันเราก็จเห็นว่าเนื้อคิด ไป ใ, ในทางดีที่เรียกว่าผุสสนิทศกในทางธรรมะท่านก็บอกไว้เมื่อธรรมะวิสุทธิ์คือเลิกคิดไป ใ, ในทางจะออกจากทุกข์จากทกิเลสจากตัณหาจากมารณ์จากทิฏฐิเมื่อผู้เลิกคิดยาจะออกจากทุกข์จากที่เลสตัณหาอย่างนั้น จกคิอย่างไรก็คือนึนคิดตรงกันข้ามหายยินดีในรูปยังยึงรัดต่างๆเราที่นดพิจนารณารูปนั้นเป็นของอนนกจางไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะโรคใครเบียดเบียนและเป็นของปฏิกูลโสโรครกเนสิ่ของสวยสดงดงามน่ารักน่าชมเป็นของที่ในใส่ตัวใส่ตนไม่ใส่คนใส่สัตว์ เราะูปนั้นนั้นไม่มีความหมายอะไรนอกจากใจเท่านั้นที่ไปมีความหมายประรูปหญิงหลูกชายหลูกสวยหลูกงามหลูกขี้เลี้ยวขี้เลดกความจริงรูปนั้นมันไม่ว่าอะไรเป็นถาดสี่ขันห้าแบบเดียวกันทั้งศาสตว์ทั้งบุคคลเมือ่อพิจรารณาย่นเข้ามาถึงถาดก็เป็นอันเดียวกันอย่างนั้นเราเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นเราปฏิกูลอย่างไรเขาก็ปฏิกูลอย่างนั้นเราเป็นทุกอย่างไร <c oughs> สตว์อื่นคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นแล้วจะไปหลงกันทําไมเข้าใจชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นความหลงของจิตก็ไม่มีวันหลงวันเกี่ยวข้องผลที่สุดจิตก็หลินห่างจากการอารณ์ไปลายเชื่อพิจารณาออกจากเรื่องของตามออกจากเรื่องของทุกพิจารณาเรื่องในทยายญาณตัวชี้เหื่อยเขาออกเรา การพยาบาทอาฆาตส่งกันและกันทําจิตของผู้พยาบาท <c oughs> ให้เดือดร้อนหรือให้หยักเย็นอย่างไรคนที่พยาบาทคนอาฆาตมุ่งร้ายคนจิตใจจะเต้องมีความเศร้าหมองจิตใจจะมีความเดือดร้อนเราเองพยาบาทเขาก็เป็นอย่างนั้นเขาพยาบาทเราก็เป็นอย่างนั้นแล้วจะไปคิดทําไมจิงที่ร้อนที่เผาตัวพองเราอย่างนั้นตัสอนตัวเองได้ คิดที่ไมเดียดเบียนกันถึงเป็นข้อที่สามการเดียดเบียนต่อเป็นของสําคัญอันหนึ่งคิดออกจากการไมเบียดเบียนเพราะเราเองก็ไม่ชอบบุคคลอื่นเดียดเบียนอีกสาเขาอื่นตัดอื่นก็เหมือนกันเมื่อเป็นอย่างนั้นความคิดของเราก็เข้าไปสู่อัดสู่ทำเป็นทางที่จะทําจิตทําใจให้เกิด ความสงบสุบสลดสังเวชหรือเกิดความสว่างสวยกสเกิดความเข็น อ, อกเข็นใจสึ่งกันแลกกันโลกก็มีความราบรื่นเยือกเย็นถึงโลกจะเดือดร้อนอุ่นวายเพื่อโลกก่อตามโลกภายในในโลกใจของเราจะมีความผ่องใสจะมีความเยือกเย็นจะมีความเป็นสุขโลกอื่นไม่ต้องว่าตรอดูโลกภายในใจของเรานี้ เป็นสาคัญถ้าหากเรา้ว่าโลคือใจของเราเยือกเย็นโลกง้งคือใจของเราเต็นสุขเราอื่นไม่ต้องหมายถึงเขาจะสุขจะทุกข์เป็นเรื่องของเขาเขาจะดีใจชั่วเป็นเรื่องของเขาตัวของเรามีหน้าที่ปฏิบัติตัวของเราให้เป็นสุขเป็นขอเอาตัวรอดเป็นยอดดีถ้าหากตัวยังสิดยังค่องตัวยังเนื้อยังหนาอยู่ก็ได้ชื่อว่า โลอื่นจะสว่างสวัยโลกอื่นจะดีพิเศษเท่าไรแต่ศพพอเห็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่เป็นของสําคัญถ้าประศบด้วยตาเนื้อถ้าประศบด้วยตาใจตาภายในคือการจะเพื่อปฏิบัติตาาใจใจสุขสนให้เห็นให้เป็นอย่างนั้นถึงพระอรหันต์พระพุทธเจ้าจะปริดิษฐานไปกี่ร้อกี่พันปีก็ไปจับอยู่ภายในคือใจสุขส น, ในพระพุทธเจ้าจะได้รับความเยืยกเย็ยนเป็นสุขเป็นอย่างนี้ ถาราปฏิบัตออออิอัดธรรมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้หยดเย็นอย่างนี้อัศจรรย์อย่างนี้เราก็ใจแจ้งถัดจึงชมเาคยแบบความสุขภายในการต่เพื่อปฏิบัติอัดธรเป็นความสุลขลำคาเป็นความสุขที่น้าอัศจรรย์จึงต่อยต่าละเลยเรื่องโลกก็ได้วางิา่งเรื่องของโลกใน่ยอมเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเพราะเหตุว่าโลก ไหนกอตามอยาเป็นอดีต ท, ที่ล่วงมาแล้วหรืออนาคตที่จะเป็นต่อไปปัจจุบันเป็นอยู่อย่างไรความเปิบใหญ่เจ็บตายภายในศาสตร์ในบุคคลที่ติดข้องในโลกก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนปัจจุบันนี้เองจะนีที่แปลแตกต่างกันถ้าหาที่เหลือดของงามจิตใจอยู่เมื่อใดความสุขความสว่างสวยัยความเพลิดเพลินในอัตในธรรมหรือสันเสีสุขจะไม่เกิดขึ้น สำหรับผู้นั้นแหกว่าตัวพปฏิบัติอาจทำถึงขีดถึงขั้นเห็นอัจเห็นทำอาจประจัจริงจังรายเส่อเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธาตุธรรมทางแกเห็นโดยตาเนื้อตัวเปล่าโดยจิตใจของเราไม่รู smell, ้ได้เป็นได้เห็นไปจาก ด้วยสิด้วยปัญญาด้วยวิชาลิมุดของตัวแล้วไม่เห็นเป็นของแปลกอะไรเห็นผู้ที่มีที่สุดก็เป็นสมบัติของท่านเหมือนกันกับเราไปเห็นสมบัติของเศรษฐีเขามีเท่าไรก็เป็นสมบัติของเขาแต่เราเคื่องนุ่งเคื่องห่มหรือความอดอยากอยากจนเป็นอย่างไรนั่นเป็นสมบัติของเราแม่ใชเป็นไปเห็นของเขาก็จะเป็นโชคลาภของเรา เราจะได้อย่างเขาเป็นอย่างเขาความจริงกระพุทธเจ้าให้วกเข้ามาดูจิตใจของต น, นตานต่อเพื่อปฏิบัติถ้าหากมองข้ามเรื่องจิตใจไม่มีวันที่จะเป็นไปก้าวหน้าหากวกเข้ามาเรื่องจิตใจของตนเราบวชเข้ามาทุกวันนี้บวชเพื่ออะไรเราควรกังวลวุ่นวายกับอะไรทํามนึกคิดน้กบวชเป็นอย่างไรให้สอบสืบที่ไมที่จะได้นะ หากทุกคนมุ่งมัน่นทํากันจริงจังในด้านต่อเพืปฏิบัติอัดทำที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้จะเป็นสมบัติของเราไม่ใต่สมบัติของคนอื่นเมื่อเรามีสมบัติคืออัดทำเป็นตัวว่าศีลสมาธิปัญญาลิชาขิต ม, มีอยู่ในตัวของเราแล้วคนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรนั่นเป็นเรื่องของเขา เราจะแนะสอนเขาก็ได้เราจะอยู่สบายไม่หุ่นจ่าไจอะไรก็สะดวกไม่มีการเสียการหายไม่มีการได้การเสียจากการสอนการในผูดเพราะตัวของเราเป็นอย่างไรก็กระทับในใจของเราคํามรู้ความเห็นถึงที่สุด ดีมดจรงจังประทับในจิตในใจของเราแล้วเราไม่ต้องเอียนยองไปตามคําพูดของเขาเขาแจะตัอะไรสอนต่อลมปากของเขาเ ข, ขาจะเรียนคาต่อลงปากของเขาตัวพวเราเป็นอย่างไรจะดีชั่วไปตามเ้าไหมไม่มีวันที่จะเป็นไปตามลมปากของเขาเราเลยอยู่สบาย ถึงตายจะเจอโรคไข้ไข้เจ็บถึงตายจะอดยายากจนแต่จิตใจของบุคคลผู้ที่ข้ามพ้นไปจากทุกจริงจังไม่ได้เป็นไปตามเรื่องของกายเป็นอย่างไรขอให้ท่านทุกคนตั้งหน้าตั้งตาไปปฏิบัติจะไปทับในจิตในใจของตนเองในต้องไปเชื่อไปฟังคําของคนอื่นจะเห็นจะเป็นในตัวเอง เพราะการเชื่อคนอื่นการซุมเดาการ่าดเสนอนั้ น, นมันผิดได้บางรายบางอย่างสิ่งที่ไม่ดีเขาโกหกสลเสวนบางสิงบางอย่างที่ดีเขาก็นนคำคนที่ดีที่ชั่วเรื่องของโลกไม่แน่นอนแต่เรื่องของเขาทำเป็นของแน่นอนสนอย่างไรถึงที่สุดอย่างไรจิตใจในเกี่ยวข้องกับโลกเป็นอย่างไร ประทับใจเหตดนั้นพวกเราที่หูหนาตามืดจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นฟังไดาจากคำพูดของท่านผู้ส่ถึงดีหมดเพราะภาดไม่ถึงเดาไม่ถูกมันเป็นอย่างไรจะรู้เฉพาะบุคคลผู้สี่เห็นที่เป็นเท่านั้น้านัันจะมีหรือไม่มีนั้น สัาผัสตาเนื้อไม่สามารถที่จะมองเห็นเพราะค้าหันก็เป็น